กทิฏฐสุตาทิฏฐสนวานวาระวาริการแสดงสภาวธรรมที่เห็นได้และสดับได้เป็นต้นหนึบบรรดาขันหา้านขันเท่าไรเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้เท่าไรเป็นสภาวธรรมที่ฟังได้เท่าไรเป็นสภาวธรรมที่รู้ได้เท่าไรเป็นสภาวธรรมที่เข้าใจได้ เท่าไรเป็นสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ฟังไม่ได้รู้ไม่ได้และเข้าใจไม่ได้ปณาจิตเจ็จิตเท่าไรเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้เท่าไรเป็นสภาวธรรมที่ฟังได้เท่าไรเป็นสภาวธรรมที่รู้ได้เท่าไรเป็นสภาวธรรมที่เข้าใจได้เท่าไรเป็นสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ฟังไม่ได้รู้ไม่ได้และเข้าใจไม่ได้ หนึ่รูปขันที่เห็นได้ก็มีที่ฟังได้ก็มีที่รู้ได้ก็มีที่เข้าใจได้ก็มีที่เห็นไม่ได้ฟังไม่ได้รู้ไม่ได้และเข้าใจไม่ได้ก็มีขันสี่เห็นไม่ได้ฟังไม่ได้รู้ไม่ได้แต่เข้าใจได้รูปายตนะเห็นได้แต่ฟังไม่ได้รู้ไม่ได้แต่เข้าใจได้ สัทธายตนะเห็นไม่ได้แต่ฟังได้รู้ไม่ได้แต่เข้าใจได้คันธายตนะรัศยตนะและโพธพายตนะเห็นไม่ได้ฟังไม่ได้แต่รู้ได้เข้าใจได้อายตนะเจ็ดเห็นไม่ได้ฟังไม่ได้รู้ไม่ได้แต่เข้าใจได้รูปธาตุเห็นได้แต่ฟังไม่ได้รู้ไม่ได้ แต่เข้าใจได้สัทธาต์เห็นไม่ได้แต่ฟังได้รู้ไม่ได้แต่เข้าใจได้คันธาต์รสธาต์และโพธิัพธาต์เห็นไม่ได้ฟังไม่ได้แต่รู้ได้เข้าใจได้ธาตุสิเห็นไม่ได้ฟังไม่ได้รู้ไม่ได้แต่เข้าใจได้ สัจจะสเห็นไม่ได้ฟังไม่ได้รู้ไม่ได้แต่เข้าใจได้ทุกขัสัตที่เห็นได้ก็มีที่ฟังได้ก็มีที่รู้ได้ก็มีที่เข้าใจได้ก็มีที่เห็นไม่ได้ฟังไม่ได้รู้ไม่ได้แต่เข้าใจได้ก็มีอินทรีย์22เห็นไม่ได้ฟังไม่ได้รู้ไม่ได้แต่เข้าใจได้เหตุ9 เห็นไม่ได้ฟังไม่ได้รู้ไม่ได้แต่เข้าใจได้อาหาร4เห็นไม่ได้ฟังไม่ได้รู้ไม่ได้แต่เข้าใจได้ผัสสัเ7เห็นไม่ได้ฟังไม่ได้รู้ไม่ได้แต่เข้าใจได้เวทนาเจ็ดสัญญาเจ็ดเจตนาเจ็ดและจิตเจ็ดเห็นไม่ได้ฟังไม่ได้รู้ไม่ได้แต่เข้าใจได้สิบ ติกาทิทัศนาวานวาระวริการแสดงรวบรวมติกะมาติกาเป็นต้น 1. กุศลติกะรห น, นบรร ด, ดาขันห้าขันเท่าไรเป็นกุศลเท่าไรเป็นอกุศลเท่าไรเป็นอัพยกฤิบรรดาจิตเจ็จิตเท่าไรเป็นกุศลเท่าไรเป็นอกุศล เท่าไรเป็นอัพยากฤิตรูปขันเป็นอัพยากฤิตขันสี่ที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤิตก็มีอายตนะสิบเป็นอัพยากฤิตอายตนะสองที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤิตก็มีธาตุเป็นอัพยากฤต ภาตุสองที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มีสมุทัยสัตว์เป็นอกุศลมังคสัตว์เป็นกุศลนิโรธาสัตว์เป็นอัพยากฤตทุกสัตว์ที่เป็นกุศลก็มีมม us ท, ที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มีอินทรีสิบเป็นอัพยากฤตโทมนัสินสี่เป็นอกุศล อนัญญาตัญยศสามีตินสีเป็นกุศลอินทรีสี่ที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอัพยกฤตก็มีอินทรียหกที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยกฤตก็มีกุศลเหตุ3เป็นกุศลอกุศลเหตุสมเป็นอกุศลอัพยากตเหตุสเป็นอัพยกฤต กัลลิงการาหารเป็นอัพยกฤิตอาหารสที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยกฤิตก็มีผัสสะหเป็นอัพยากฤิตมโนวิญญาณธาตุสัมผัสที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยกฤิตก็มีเวทนาหสัญญาหกเจตนาหและจิตหเป็นอัพยกฤิต มนโนวิญญาณท่าที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤิตก็มี 2. เวทนาติกะหนึบรรดาขันห้าขันเท่าไรสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเท่าไรสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเท่าไรสัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาบรรดาจิตเจ็ จิตเท่าไรสัมปยุต ด, ด้วยสุขเวทนาเท่าไรสัมปยุต ด, ด้วยทุกขเวทนาเท่าไรสัมปยุต ด, ด้วยอทุกขมาสุขเวทนาขันสองกล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุต ด, ด้วยสุขเวทนาสัมปยุต ด, ด้วยทุกขเวทนาหรือสัมปยุต ด, ด้วยอทุกขมะสุขเวทนาขันสา 3. ที่สัมปยุต ด, ด้วยสุขเวทนาก็มี ที่สัมปะยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปะยุทธ์ด้วยอทุกขมาสุขเวทนาก็มีอายตนะสิบกล่าวไม่ได้ว่าสัมปะยุทธ์ด้วยสุขเวทนาสัมปะยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาหรือสัมปะยุทธ์ด้วยอทุกขมะสุขเวทนามนายตนะที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปะยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาก็มี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 กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาหรือสัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมรสุขเวทนาธาตุสสัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนากายวิญญาณธาตุที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาก็มีมโนวิญญาณธาตุที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มี ที่สัม ป, ปยุทธ well ์ด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขธรรมสุขเวทนาก็มีธรรมท่าที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปะยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขธรมสุขเวทนาก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาหรือสัมปยุทธ์ด้วยอทุกขธรมสุขเวทนาก็มี สัจจสอที่สัมปยุทธด้วยสุขเวทนาก็มีที่สั 1, 2, <hygiene. S 2> มปยุทธด้วยอทุกขมาสุขเวทนาก็ม <m rehears reminis ounce> ีนิโรธสัจกล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุทธด้วยสุขเวทนาสัมปยุทธด้วยทุกขเวทนาหรือสัมปยุทธด้วยอทุกขมาสุขเวทนาทุกขสัจที่สัมปยุทธด้วยสุขเวทนาก็มี ที่สัมปะยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปะยุทธ์ด้วยอทุกขธรมสุขเวทนาก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาสัมปะยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาหรือสัมปะยุทธ์ด้วยอทุกขธมสุขเวทนาก็มีอินรี่สิบกล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนา หรือสัมปยุทธ์ด้วยอทุกขะมะสุขเวทนาอินทรียหกที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมะสุขเวทนาก็มีอินทรีย์มที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมะสุขเวทนาก็มีชีวิตินทรีย์ ที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขธมสุขเวทนาก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาหรือสัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมะมสุขเวทนาก็มีอกุศลเหตุคือโทสะสัมปยุทธ์ด้วยทุก ข, กขเวทนาเหตุเจ ที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขะมสุขเวทนาก็มีอกุศลเหตุคือโมหะที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขะมัสุขเวทนาก็มีกวริลิงการาหานกล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนา หรือสัมปยุทธ์ด้วยอตุคขมาสุขเวทนาอาหาร3ที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุคขมสุขเวทนาก็มีภัตสห์สัมปยุทธ์ด้วยอตุคขมาสุขเวทนากายวิญญาณท่าสัมผัสที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มี ที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาก็มีมโนวิญญาณธาตุสัมผัสที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมะสุขเวทนาก็มีเวทนาเจกล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาหรือสัมปยุทธ์ด้วยอทุกขะมะสุขเวทนา สัญญา5เจตนาหและจิต5สัมำปยุทธ์ด้วยอทุกขมะสุขเวทนากายวิญญาณธาติที่สำปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาก็มีมโนวิญญาณธาติที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขะมสุขเวทนาก็มี สวิปากติกะหนึบรรดาขันห้าขันเท่าไรเป็นวิบากเท่าไรเป็นเหตุให้เกิดวิบากเท่าไรไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากบรรดาจิตเจ็จิตเท่าไรเป็นวิบากเท่าไรเป็นเหตุให้เกิดวิบากเท่าไรไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากรูปขัน ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากขันธ์สที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีอายตนะสิบไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอายตนะสองที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มี ธาตุสิบไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากธาตุห้าเป็นวิบากมโนธาตุที่เป็นวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีธาตุสองที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบา uni, กและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีสัจจะสองเป็นเหตุให้เกิดวิบากนิโรธสัต ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากทุกขษัตริย์ที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีอินทรีย์7ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอินทรีย์3เป็นวิบากอินทรีสองเป็นเหตุให้เกิดวิบากอันยินทรีย์ที่เป็นวิบากก็มี ที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีอินทริกาที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีเหตุ6เป็นเหตุให้เกิดวิบากอัพยากตะเหตุสที่เป็นวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีกวลิงการาหารไม่เป็นวิบาก และไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาหารสที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีหัตสสะ5เป็นวิบากมโนธาตุสัมผัสที่เป็นวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีมโนวิญญาณธาตุสัมผัสที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มี ที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีเวทนาห้าสัญญาห้าเจตนาห้าและจิตห้าเป็นวิบากมโนธาที่เป็นวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีมโนวิญญาณธาที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มี 4อุปาทินติกะหนึบรรดาขันห้าขันเท่าไรที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเท่าไรที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเท่าไร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 กรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานรูปประคันที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีขันสี่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 กรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานสัทธายตนะกรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอายตนะสี่ที่กรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ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 ธาการมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานสัตตะธาตุการมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานธาตุหที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี กรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี52าสที่กรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี สมุทัยสัตว์กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานสัจจะสองที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานทุกขสัตว์ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี กรมันประกอบด้วยจันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีอินซีเก้กามันประกอบด้วยจันหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานโทมานตสินจีกามันประกอบด้วยจันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอินทรีสามการมันประกอบด้วยจันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ แล mm. ะไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอิน <reminds> ส <them lerde> ีเก้าที่กรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีอกุศลเหตุสาม กรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานกุศลเหตุ3ามที่การมันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิไม่ยึดถือและแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีอภพยากตาเหตุสาที่กรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิ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 ทีกรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีอาหาร3ที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐ <attaches>. ิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีภัตสหกรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานมโนุธาตุสัมผัสที่การมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี ที่กมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีมโนวิญญาณธาตุสัมผัสที่กรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีทิ่กมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีทิ่กมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ และไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีเวทนาหาสัญญาหาเจตนาหาและจิตหกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานมโนธาตุทิกรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีทิกรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ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 วิตกกะติกะ1นึบรรดาขันหขันเท่าไรมีทั้งวิตกและวิจาร์เท่าไรไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์เท่าไรไม่มีทั้งวิตกและวิจาร์บรรดาจิตเจ็จิตเท่าไรมีทั้งวิตกและวิจารเท่าไรไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์ เท่าไรไม่ม no ีทั้งวิตกและวิจารรูปขันไม่มีทั้งวิตกและวิจารขันสามที่มีทั้งวิตกและวิจาร์ก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์ก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารก็มีสังขารขันที่มีทั้งวิตกและวิจารก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์ก็มี ที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารก็มีและที่กล่าวไม่ได้ว่ามีทั้งวิตกและวิจารไม่มีวิตกมีเพียงวิจารหรือไม่มีทั้งวิตกและวิจารก็มีอายตนะสิบไม่มีทั้งวิตกและวิจารมนายตนะที่มีทั้งวิตกและวิจารก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารก็มี ที่ไม่มีฤฤ ท, ะ ท, ะทั้งวิตกประวิจารก็มีธรมมายตนะที่มีทั้งวิตกประวิจารก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์ก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกประวิจารก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีทั้งวิตกประวิจารไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์หรือไม่มีทั้งวิตกประวิจารก็มีภาคสิห ไม่มีทั้งวิตกประวิจาร์มโนธาต์มีทั้งวิตกประวิจารณ์มโนวิญญาณธาต์มีทั้งวิตกประวิจาร์ก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจาร์ก็มีธรรมธาต์ที่มีทั้งวิตกและวิจาร์ก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ก็มี ที่ไม่มีทั้งวิตกพระวิจารก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีทั้งวิตกพระวิจาร์ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์หรือไม่มีทั้งวิตกพระวิจาร์ก็มีสมุทัยสัตว์ที่มีทั้งวิตกพระวิจาร์นิโรทัสัตว์ไม่มีทั้งวิตกพระวิจารมัคคสัตว์ที่มีทั้งวิตกพระวิจาร์ก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารก็มี ที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณก็มีทุกขัสัตที่มีทั้งวิตกและวิจารณก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีทั้งวิตกและวิจารณไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์หรือไม่มีทั้งวิตกและวิจารณก็มีอินทรียก้าไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ โทมนัสสินสมีทั 4, um ้งวิตกและวิจารณอุเปกขินส wow. <mon compound> <mon> ี่ที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีอินสีสิบเอที่มีทั้งวิตกและวิจารก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารก็มีอกุศลเหตุสามีทั้งวิตกและวิจารณเหตุห ที่มีทั้งวิตกและวิจาร์ก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารก็มีกวลิงการาหารไม่มีทั้งวิตกและวิจารอาหารสามที่มีทั้งวิตกและวิจารก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารก็มีไม่มีทัท้งวิตกและวิจารก็มีพัทธะห้า ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์มโนธาตุสัมผัสมีทั้งวิตกและวิจารณมโนวิญญาณธาตุสัมผัสที่มีทั้งวิตกและวิจารณก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณก็มีเวทนาหสัญญาหเจตนาหและจิตหไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ มโนธาตมีทั้งวิตกและวิจารมโนวิญญาณธาติที่มีทั้งวิตกและวิจารก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์ก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารก็มีหนึ่งรูปปัทุกะหนันบรรดาขันหขันเท่าไรเป็นรูปเท่าไรไม่เป็นรูป บรรดาจิตเจ็จิตเท่าไรเป็นรูปเท่าไรไม่เป็นรูปรูปประคันเป็นรูปขันศีไม่เป็นรูปอายตนาสิบเป็นรูปมนายตนาไม่เป็นรูปธรรมายตนาที่เป็นรูปก็มีที่ไม่เป็นรูปก็มีธาตุสิบเป็นรูปธาตุเจ็ไม่เป็นรูปธรรมธาตุที่เป็นรูปก็มีที่ไม่เป็นรูปก็มี สัจจะสไม่เป็นรูปทุกขสัจที่เป็นรูปก็มีที่ไม่เป็นรูปก็มีอินทรีย์เจ็เป็นรูปอินทรีย์14ไม่เป็นรูปชีวิตินทรีย์ที่เป็นรูปก็มีที่ไม่เป็นร um ูปก็มีเหตุ9ไม่เป็นรูปกบาลิการาหารเป็นรูปอาหารสาไม่เป็นรูปพัสกาเจตไม่เป็นรูป เวทนาเจ็สัญญา 7, เจ็เจตนาเจและจิตเจไม่เป็นรูป 2. โลกิยทุกกะห4ึ 1, บรรดาขันห้าขันเท่าไรเป็นโลกิยะเท่าไรเป็นโลกุตระบรรดาอายตนะสิอายตนะเท่าไรเป็นโลกิยะเท่าไรเป็นโลกุตระ บรรดาธาตุสิบธาตุเท่าไรเป็นโลกิยะเท่าไรเป็นโลกุตระบรรดาสัจจะสสัจจะเท่าไรเป็นโลกิยะเท่าไรเป็นโลกุตระบรรดาจิตเจ็จิตเท่าไรเป็นโลกิยะเท่าไรเป็นโลกุตระรูปประคันเป็นโลกิยะขันธ์สี่ ที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีอายตนะสิบเป็นโลกิยะอายตนะสองที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีธาตุสิเป็นโลกิยะธาตุสองที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีสัจจะสองเป็นโลกิยะสัจจะสองเป็นโลกุตระอินรี่สิบ เป็นโลกิยาอินทรีสามเป็นโลกุตระอินทรีเก้ที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีอกุศลเหตุสามเป็นโลกิยะเหตุหที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีกะวลิงการาหารเป็นโลกิยะอาหารสามที่เป็นโลกิยะก็มี ที่เป็นโลกุตระก็มีพัสธะหเป็นโลกิยะมโนวิญญาณธาตุสัมผัสที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีเวทนาหเป็นโลกิยะเวทนาที่เกิดแต่มโนวิญญาณธาตุสัมผัสที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีสัญญาหกเป็นโลกิยะ สัญญาเกิดแต่มโนวิญญาณธาตุสัมผัสที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีเจตนา6เป็นโลกิยะเจตนาที่เกิดแต่มโนวิญญาณธาตุสัมผัสที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีจิตหเป็นโลกิยะมโนวิญญาณธาตุที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีสรุป หัวข้อธรรมที่แสดงมาอภิญญาสารมณะสองทิฏฐะกุศลเวทนาวิปากะอุปาทินนะวิตกกะรูปและโลกิยชนิแปรธรรมะทยวิพังจบบริบูรณ วิพังขประกรณ์จบ